บทเสริมท้ายซึ่งประกอบด้วยการอธิบายคำศัพท์และพระประวัติขององค์ผู้นิพนธ์ค่ะขนาดแค่อธิบายคำศัพทยังสนุกเลยนะคะแล้วบางคำเนี่ยก็ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมเอาละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่อธิบายคำศัพท์ก่อน คำแรกค่ะคำนี้ดิฉันจำได้ว่าได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่านี้คำว่าขี ok ้หกเคยได้ยินไหมคะขี้หก ok ก็หมายถึงโกหกพูดบดพูดไม่จริงเป็นภาษาทางใต้ ambition ก็มาจากคำว่า ambition ความทะเยอทะยานความใฝ่สูง ปืนรอสอรอจุดสอสาราจุดหมายถึงปืนที่เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าในยุคนั้นปืนก็ถือว่าเป็นอาวุธใหม่เป็นของใหม่แชมเปญอ่าอันนี้อาจจะพอเดากันได้นะคะก็คือแชมเปญเหล้าอางุ่นขาวทำจากเมืองแชมเปญในประเทศฝรั่งเศสแต่ในยุคนั้นเรียกว่าแชมเปญแฟชั่น แฟชั่นก็คือแฟชั่นหมายถึงสิ่งที่กำลังนิยมกันผู้ประพันธ์นะคะพร้อก็อธิบายว่าความนิยมของคนเช่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เพิ่งผ่านมานี้ชายนิยมไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงแต่ความนิยมนั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นช่วงยาวหรือสั้นก็ได้โดยมากเมื่อพูดถึงแฟชั่น เรามักนึกถึงความนิยมในด้านการแต่งกายถ้าเราพูดว่า a m a n of fashion หมายความถึงคนรู้ทันสมัยอยู่เสมอในนี้ใช้ชอช้างสองตัวนะคะ fashion จริงๆมีอีกหลายคำนะคะที่เป็นคำ เราก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆแล้วบางคําเนี่ยดิ่านเองก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะอ่ะคํานี้ต้องพูดซ้ำค่ะน่ารักดีลูกปี๊บหมายถึงลูกโป่งนะอันกะหัทกอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะแต่ชอบมากน่ารักจังเลยอันกะหัก็คือแอลกอฮอล์บวกกับอุทก คือเป็นการเอาคำอังกฤษมาสนทิกับคำบาลีนะคะอันกาโโหคือภาษาอังกฤษใช่ไหมอุทก ok. คือน้ำบวกกันเป็นเอาอันกะโโหทกก็หมายถึงน้ำเหล้าสุรานั่นเองค่ ะ, ะท่านผู้ประพันธ์นะคะคิดคำของท่านขึ้นเอง procrastination is the thief of time การผัดวันประกันพรุ่งการรีรอ ติเก็ตอันนี้ก็คือติกเก็ตตัว๋วตั๋วเรือตั๋วรถ university แม่อันนี้เป็นคำที่เราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมค่ะ university เนี่ยเราทราบดีว่าหมายถึงมหาวิทยาลัยนะคะแต่ในคำอธิบายศัพท์นี้ อธิบายความหมายไว้ว่า university มหาวิทยาลายัยคือที่รวมแห่งการสอนศินละปะวิทยาหลายประเภทนอมสออธิบายไว้ในเรื่องของนักเกรยียนเมืองอังกฤษว่าคำว่า university นั้นคือคำละตินว่า universitas มาจากคำว่า uni หนึ่ง versus หันรวมความว่าหันเข้าเป็นหนึ่งแปลว่ารวมทั้งสิน้น แต่ส่วนความเข้าใจนั้น university คือที่รวมกันของคอ l l e อ่ะทีนี้ก็ต้องมาที่คำ college college โรงเรียนวิทยาลายัยส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลายัยมีสถานที่ครูนักเรียนพร้อมนอโมสอได้ให้คำอธิบายว่า college คือโรงเรียนชั้นสูงมาจากคำละตินว่า c o l l e i u m แปลว่าที่รวมกันคือที่ประชุมสำหรับการอันหนึ่งอันใด คือการสั่งสอนวิชาและการให้ดีกรีเป็นต้น Public School ก็คือ Public School นะคะเป็นโรงเรียนมัธยมกินนอนในอังกฤษมีคณะกรรมการควบคุมแบบโรงเรียนวชิราวุธ เคอมีการกล่าวถึงยูครต์นะคะที่บอกว่าในเวลาที่เรียนเจ้าทราบไม่ได้ว่าอายุราหรือยูครต์หรือล e อยิกหรืออะไรที่จะเป็นเนื้อทําให้เจ้าเป็นผู้มีกำลังวางชาต่อไปภายหน้ายูครต์หมายถึงชาวกรีกเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะมีชีวิตอยู่ประมาณสองพันสองรอยกว่าปีที่แล้วเป็นผู้ให้กาเนิดวิชาเลขคณิตนะคะ ส่วนลอยิกก็มาจากคำว่าลอจิกหมายถึงาศาสตร์คือตรรกศกวิทยาวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลนั่นเองนะคะทีนี้มีอยู่ประโยคหนึ่งนะคะที่มีการเปรียบเปรยบอกว่าแต่จะแต่งเรื่องแหกกถินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สำเร็จจำได้ไหมคะมีอยู่ตอนหนึ่ง ที่พูดถึงคนที่เรียนหนังสือมามากรู้ไปหมดเลยนะคะไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองหนาแต่ว่าทำอะไรไม่เป็นแม้แต่จะแต่งเรื่องแหกระถินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สาเร็จหมายความว่าอย่างไรนะคะกับเรื่องแหกระถินพยุหะโอ้มีคำอธิบายเยอะเลยนะคะซึ่งก็น่าสนใจค่ะคำอธิบายบอกว่า เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบมาคือเมื่อถึงหน้ากระถินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้ากระถินโดยทางสทนมากบ้างโดยทางชลมากบ้างกระบวนพยุหญาตรานี้ถ้าเป็นครั้งที่สำคัญจึงจะจัดเช่นในปี2500ได้มีงานฉลอง25พุทธศตวตรรษทางราชการได้จัดกระบวนเป็นพุทธพยุหญาตราทางชลมากอัญเชิญพระพุทธรูป ปดิษฐานบนบุสบกของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชตั้งบุสบกประดิษฐานพระธรรมเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงนั้นใช้เป็นอาสนะพระสงฆ์และจัดเปรืออื่นๆเป็นกระบวนพารยุหหายาตราน้อยล่องตามลำน้าเจ้าพระยาการจัดปรือกระบวนพยุหหายาตราทางชุลมารกหากเป็นงานพระราชพิธีสําคัญมากก็จะจัดเป็นกระบวนใหญ่ มีเรือในกระบวนประมาณ80ลำค่ะส่วนในงานพระราชพิธีอาจจัดเป็นกระบวนเล็กมีเรือประมาณ40ลำโดยลดจานวนเรือดั้งและเรือที่ไม่สำคัญออกซึ่งเรียกว่ากระบวนพยุหะญาตราน้อยทางชนลมากฉลองพุทธศตรวตรรษได้จัดกระบวนเรือทั้งสิ้น39ลำความยาวของกระบวนาประมาณ700เมตรมีระยะกว้างประมาณ40เมตร ระยะระหว่างแนวห่าง20เมตรการจัดรูปกระบวนกจัดเป็น3แนวคือแนวกลางแนวซ้ายและแนวขวาสำหรับการเคลื่อนกระบวนเรือผู้บัญชาการกระบวนเรือซึ่งอยู่ในเรือกองในจะเป็นผู้ให้สัญญาณเคลื่อนกระบวนแล้วพนักงานแหกก็จะเริ่มเหตถวายเรือทุกลำจะพายท่านกบิน กระบวนพยุหายาตราฉลอง25พุทธศตวรรษนี้ตั้งต้นจากวัดเขมาพิรตารามล่องไปตามลาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปเทียบที่ท่าราชบรดิ์เพื่อประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จถวายสักการะพระพุทธรูปซึ่งมีปฏิสถานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์การจัดปริ้วกระบวนพยุหายาตราทางชลมมากมีมาแต่เดิมในสมัยโบราณ คือเป็นการจัดกระบวนเรือรบในแม่น้ําตามตําราพิชัยสงครามเมื่อเวลายกทัพเรือไปรบกับข้าศึกแม้ยามนั้นบ้านเมืองสงบปราศจากศึกสงครามก็จะมีการระดมพลเพื่อฝึกซ้อมกระบวนเรืออยู่เป็นนิตการฝึกซ้อมมักจะจัดขึ้นในฤ ด, ดูน้ําหลากระหว่างที่รัษฎรว่างจากการทรําไร่ไถนาและประจวบกับเทศกาลทอดกรถิ่นอีกด้วย การจัดกระบวนเกือดังกล่าวนี้เป็นต้นเหตุของประเพณีแห่เสด็จทอดผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหะยาตราทางชนลมาะกล่าวคือเมื่อพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินณวัดที่อยู่ริมน้ําก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนเรือรบที่ได้จัดขึ้นและแห่แหนไปตามแม่น้ํทาทั้งนี้เพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้สนุกรื่นเริง ในโอกาสที่มีงานกุศลเรือรบที่นํามาจัดเข้าเป็นกระบวนเป็นเรือรบที่ใช้ในการคือใช้สําหรับการรบในแม่น้ําซึ่งมีขนาดแตกต่างจากเรือรบทางทะเลเรือรบในแม่น้ําลําสําคัญสําคัญที่ใช้เป็นเรือพระที่นั่งเช่นเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรื่องความทําด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ที่กล่าวว่าแต่จะแต่งเรื่องแหากถินพยุหะไปลงพิมพ์ก็ไม่สาเร็จนั้นหมายความว่าเรียนมามากรู้เรื่องของต่างชาติมากมายแต่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วจะแต่งหรือบรรยายให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ด้วยหรือมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเจ้าสัวแก้วทาภาษีขาดทุนใหญ่สองปีพอหมดทุน ก็พอตายพอดีฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเจ้าสัวแก้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการทำภาษีนะคะมีคำอธิบายที่น่าสนใจเป็นประโยชน์มากนะคะว่าคำว่าภาษีที่นำมาใช้หมายความว่าเก็บผลประโยชน์แผ่นดินเพิ่งจะปรากฏขึ้นในรัชกาลที่สาม คำว่าภาษีเห็นจะมาแต่คำภาษาจีนแต้จีวว่าบูชีหมายความว่าสำนักเจ้าพนักงาน ร, ราชการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินเพราะมาจากวิธีให้มีผู้ว่าประมูลเงินหลวงรีผูกขาดเก็บผลประโยชน์แผ่นดินในสมัยโบราณก่อนสมัยราชการที่สามลักษณะการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินจัดเป็นสี่อย่างเรียกว่าจังกรบอากอนสวยและฤชา รวมเรียกว่าสวยสาอาก่อนหรือสวยสัตว์พัฒนาก่อนทีนี้ต่อมาพระบาสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดการวิธีประมูลเงินหลวงรับผูกขาดผลประโยชน์แผ่นดินโดยประมูลได้ใครที่ประมูลได้ก็ได้ชื่อว่าเจ้าภาษีได้มีผู้รับผูกผลประโยชน์แผ่นดินชนิดต่างๆตามแต่จะคิดประดิษฐ์ขึ้น ไปตั้งสถานที่สําหรับเรียกเก็บยังทําเลที่สินค้าจะผ่านไปมาเรียกว่าโรงภาษีตัวเจ้าภาษีนั้นเรียกว่าเป็นผู้ทําภาษีหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ราชการที่สามฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงกล่าวว่าภาษีอากรซึ่งไม่มีมาแต่ก่อนเกิดมีในแผ่นดินนั้นคืออากรบ่อนเบีย้ยอากรหวยภาษีเบเ็ดเสร็จลงสำเพอภาษีต้องห้ามหกอย่าง ภาษีพริกไทยสองอย่างเรียกแต่ผู้ซื้ออย่างหนึ่งเรียกแก่ชาวไร่อย่างหนึ่งภาษีไม้ยางภาษีไม้แดงภาษีไม้แดงสิบลดเรียกแต่ผู้ขายภาษีเกลือภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันต่างๆภาษีกระทะภาษียางต้นภาษีใต้ชันภาษีจากภาษีฟืนภาษีกระชังภาษีไม้ไผ่ป่าภาษีไม้รั่ว ภาษีกอไม้สีสุกภาษีไม้ค้างพลูภาษีไม้กระดานจงพูดเสมอพังงาภาษีไม้สุงภาษีฝ้ายภาษียาสูภาษีปอภาษีครามภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษีเยื่อเคยภาษีน้ำตาลทรายภาษีจันอับไพ่เทียนไขเนื้อขนมต่างๆภาษีปูนภาษีเกวียนต่างๆเรือจ้างหางโยงรวมสาสิบแปดอย่างครนี่คือ รายชื่อภาษีนะคะที่จะมีการเรียกเก็บต่อมาค่ะถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไทยทำหนังสือสัญญาค้าขายกับต่างประเทศการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศก็เป็นตัดใจต่อการเก็บภาษีอากรเป็นข้อสำคัญในเวลาต่อมาเหตุด้วยยอมให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขาย เมื่อเสียภาษีตามพิกัดอัตราอันกำหนดไว้ในหนังสือสัญญาแล้วซื้อขายได้โดยสะดวกติดทางค้าขายของหลวงในพระคลังสินค้าและทางค้าขายของผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งเคยทำมาแต่ก่อนรัฐบาลว่าต้องตั้งภาษีอากรหาผลประโยชน์แผ่นดินและแบ่งส่วนพระราชทานทดแทนผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งรายได้ขาดหายไปเพราะการทาหนังสือสัญญากับต่างประเทศ ภาษีอากรซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในรัชกาลที่สี่เจ้าพระยาที่ภากรวงแสดงไว้ว่ามีสิบสี่อย่างคือภาษีฝิ่นภาษีสุกรภาษีปราสดภาษีปราทูภาษีไหมภาษีขี้พึ่งภาษีผักภาษีม่อหวดภาษีถังภาษีเตาหล่อภาษีเรือมาสเลือโกรนภาษีแจาภายโกรนภาษีอากรพนันอากรมหรสพ และกลับตั้งภาษีซึ่งเลิกในรัชกาลที่สามสองอย่างคืออากรค้าน้ำและอากรมหรสศพอากรหมายถึงการเก็บส่วนชักผลประโยชน์ที่รัษดรทำมาหาได้โดยประกอบการต่างๆเช่นทำนาทำไร่ทำสวนเป็นต้นเจ้าภาษีกับนายอากรเจ้าภาษีเนี่ยเป็นผู้เก็บภาษีจากรัษดรเหมือนอย่างสันพกรในเวลานี้ส่วนนายอากรเป็นผู้ผูกขาดแบบ สภสมิตรในปัจจุบันวิธีการประมูลตั้งเจ้าภาษีนายอากรเป็นคนชาติเขาเองแต่สำหรับประเทศไทยผู้ที่ได้เป็นเจ้าภาษีนายอากรเป็นคนต่างชาติเสียโดยมากและเป็นชาติจีนมากกว่าอื่นในตำนานภาษีอากรของสมเด็จกรมพยาดำรงราชาุภาพก็ยังมีรายชื่ออ้างไว้เช่นภาษีสัมภาร์จีนซินรับทาภาษีเนื้อปลา จีนเล่าแซ่เป็นคุณวิเศษพักดีรับทาภาษีน้ำตาลกรวด จ, จีนบีเป็นหมื่นมัธุรสว น, นิษเป็นต้นหมื่นมธุรสว น, นิษ์ความหมายก็ตรงเลยนะคะหมายถึงการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของหวานของน้ำตาลใช่ไหมก็กลายเป็นมธุรสว น, นิษ์ รับทำภาษีน้ำตาลกรวดนั่นเองนะการเก็บภาษีอากรแบบนี้รัศดรต้องได้รับความเดือดร้อนในการที่ต้องเสียภาษีอากรเป็นอย่างมากทางด้านการคลังและเศรษฐกิจของประเทศก็ตกต่ำเนื่องจากเจ้าภาษีนายอากรติดค้างชำระเงินที่ประมูลให้แก่หลวงปีละมากๆด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชดําริจัดการแก้ไขระเบียบการเก็บภา ษ, ษีอากรให้รัดกุมขึ้นโดยโปรดให้ตั้งหอรัศฎากรพิพัฒน์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะได้เป็นที่สํารองรวบรวมพระราชทรัพย์ซึ่งขึ้นอยู่ในท้องพระครัภ์ทั้งสองและได้ทรงตราพระราชบัญญัติสําหรับหอรัศฎากรพิพัฒน์ขึ้นเมื่อปีพศ2416 เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้เจ้าพนักงานบัญชีกลางเจ้าภาษีนายอากรทั้งปวงประพฤติตามที่บอกว่าเจ้าส่วแก้วทำภาษีขาดทุนใหญ่สองปีพอหมดทุนก็พอตายพอดีก็หมายถึงว่าเจ้าส่วแก้วเนี่ยทำภาษีอะไรสักอย่างแต่ทำภาษีอะไรไม่ปรากฏอ้างไว้แต่เชอรอยจะเป็นคลาวเคราะห์ของเจ้าส่วเองจึงขาดทุนติดติดกันถึงสองปี นี่คือเรื่องของเจ้าภาษีในอากอนนะคะมีการกล่าวถึงคําว่าหิมพานเราก็คงทราบดีนะคะว่าก็หมายถึงป่าหิมพานมีคมําอธิบายว่าหิมพานต์เป็นชื่อปา่าหนาวแถบเหนือของอินเดียขึ้นไปมีกล่าวถึงในวรรณคดีว่าเป็นดินแดนแห่งเท พ, พ ย, ยดานักสิทธิวิทยาธรครุฑ และสัตว์พิเศษอื่นๆสัตว์พิเศษอื่นๆก็อย่างเช่นหน้าข้าปักสินคือสีสระเป็นหน้าตัวเป็นนกนะคะเป็นสัตว์ผสมสีหรามังกรหน้าเป็นตัวมังกรตัวเป็นสิงขอภัยหน้าเป็นมังกรตัวเป็นสิงมังกรสรกุนีหน้าเป็นมังกรตัวเป็นนกเหมาราชตัวเหมือนราชสีแต่ปากยาวแหลม แล้วก็มีคตชปักษานะคะส่วนใบหน้ามีงวงเหมือนช้างแต่ว่าตัวเป็นนกอันนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์พิเศษในป่าหิมพานแล้วก็มีระบุว่าที่ป่าหิมพานมีสาอโนดาษล้อมรอบอด้วยทิวเขาจิตตกะกูดการตะกูดคันธมาสไกร ล, ลาดและสุดทัศ เขาสุทัศน์นั้นเป็นเพียงทิวเขาหนึ่งในเจ็ดทิวเขาที่ล้อมเขาพระสุเมนเป็นชั้นๆเขาไกร ล, ลาสนั้นมีเอ่ยถึงในวรรณคดีอินเดียมากเขาไกร ล, ลาศเป็นภูเขาที่มีจริงๆอยู่ในประเทศที่เบยอันนี้มีจริงๆนะคะสามารถเช็คดูได้เลยแต่เขาพระสุเมนเป็นเขาในวรรณคดี สระใหญ่อื่นๆที่มีอยู่ในบริเวณป่าหิมพานที่เป็นที่เอ่ยถึงในวรรณคดีก็ได้แก่สระใหญ่ชิชัตทันกุนานกันธมูลสีหปะปาตวาปีมันทากินีและร ถ, ถกาลป่างิ้วชิมพรีอันเป็นที่อยู่ของพญานาคครุษราชเวนไตยอย่างไรก็ตามชื่อเรียกป่าหิมพานนี้มีจริงแต่คำบรรยายถึงสภาพ และสรรพสิ่งในป่าหิมพานตามปรากฏในวรรณคดีนั้นเป็นจินตนาการเป็นส่วนมากคือตัวป่ามีจริงแต่ว่าสภาพเนี่ยก็เป็นจินตนาการคือเป็นป่าที่แฟนตาซีอย่างมากนะคะทั้งสัตว์และก็ต้นไม้จะมีความพิเศษมีความมหัศจรรย์พันลึกไม่เหมือนกับป่าอื่นๆแล้วก็มีคำกล่าวว่าของดีชนิดอื่นๆมีโสม คือตรบองคอยป้องกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องเล่ากันว่าชายคนหนึ่งชื่อโสมค่ะเป็นคนมีทรัพย์มากแต่ว่าเป็นคนตรหนีหวงทรัพย์สมบัติมากไม่ยอมทำบุญทาทานไม่ยอมแบ่งสมบัติให้ลูกหลานแต่ว่านำสมบัติไปฝังซ่อนไว้ในถ้าและด้วยความที่ใจผูกพันในสมบัติพอตายแล้ววิญญาณก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิด ยังคงวนเวียนเฝ้าอยู่บริเวณที่ตนซ่อนทรัพย์สินเงินทองไว้จนเป็นที่เลื่องลือแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ใครหวงทรัพย์สินเงินทองอยู่จนแก่จนเฒ่าไม่แบ่งให้ใครจะได้รับการขนานนามว่าโสมหรือว่าปู่โสมนั่นเองนะคะที่เป็นที่มาของคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ พักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะกับบทเสริมท้ายจดหมายจางวางหลังเป็นความรู้แล้วก็มีพระประวัติขององค์ผู้นิพนธ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินท์ คุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับบทเสริมท้ายวรรณกรรมเรื่องจดหมายจางวังราค่ะก็เป็นความรู้เสริมท้ายเป็นการอธิบายคําศัพท์สำนวนที่อาจจะไม่คุ้นเคยและบางทีก็อาจจะมีความหมายลึกซึ้งมากไปกว่าที่เราคิดนะคะเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งค่ะกับสำนวนที่ว่า เรียนกอได้ที่วัดโพเรียนขอได้วัดแจ้งไปขึ้นแม่กลนเอาที่วัดสาลาปูนกรุงเก่าคือคํากล่าวนี้ก็อาจจะสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องระบบการศึกษาในสมัยนั้นซึ่งเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจมีคําอธิบายดังนี้นะคะว่าสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนใครอยากได้วิชาหนังสือต้องไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ปรนิบัติพระอาจารย์ซึ่งเป็นสงอยู่ที่วัด พูดให้ถูกก็คือพ่อแม่อยากให้ลูกมีวิชาก็จะต้องพาลูกไปฝากฝังกับพระปัดกวาดเช็ดถูกุฏิต้มน้ำชงชาบางทีก็อาจไม่ใช่ชาแต่เป็นใบหูกวางขั่วเปลือกมะตูมตากแห้งหรือใบชุมเห็ดสุดแล้วแต่อาจารย์จะชอบฉันอาจารย์ก็จะสอนหนังสือให้เป็นวิทยาฐานเพราะในสมัยดังกล่าวยังไม่มีโรงเรียนแต่โบราณมาคนไทยอาศัยวัด เป็นที่ศึกษาหาความรู้สถานโรงเรียนก็ใช้หอฉันหอสวดมนต์สาลาการเปลี่ยนกุฏิวิหารนั่นเองส่วนที่ประชุมเล่าเรียนของหมู่นักเรียนในอารามทั่วไปนั้นใช้หอฉันกับหอสวดมนต์เป็นที่เล่าเรียนโดยมากเครื่องเล่าเรียนก็มีกระดานดำดินสอขาวไม้บรรทัดกระดานดำทําด้วยไม้กว้างประมาณคืบหรือคืบกว่าไม่สู้ใหญ่นัก ยาวประมาณสองสอกถึงสามสอกเศษหนาราวสองกระเบียดกว่าทาดำด้วยขมาหม้อกับนำข้าวสุกก็ได้ดินสอหินมีสองอย่างคือขาวกับเหลืองบางคนเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นดินสอใช้เขียนได้ไม้บรรทัดกว้างประมาณสิบเอ็ดนิ้วยาวขนาดกระดานดำที่เขียนแต่ครูมีอุบายพิเศษคือไม้บรรทัดสลักเป็นตัวนโมไว้ในนั้น บางอันสลักกอขอบางอันสลักนโมข้างหนึ่งกอขอข้างหนึ่งและสลักแม่กอกากลกบกงกดกลมเกยเป็นลำดับมาตราเพื่อเป็นแบบฉบับคนไหนจะเขียนมาตราอะไรก็ส่งไม้บรรทัดให้มิฉะนั้นครูต้องเสียเวลาเขียนฉบับให้ในกระดานดำของนักเรียนทีละคนเสียเวลาเครื่องเล่าเรียนสามอย่างนี้เป็นของจาเป็นสาหรับนักเรียนชั้นที่หนึ่งคือพวกเขียน พวกเริ่มเขียนถ้าขึ้นชั้นต่อไปก็มีเครื่องเล่าเรียนเพิ่มขึ้นพูดแล้วนึกถึงแท็บเล็ตสมัยนี้นะคะแต่ว่าแท็บเล็ตสมัยนี้คือลรกดได้เลยสมัยก่อนต้องเขียนอย่างเดียวเขียนแล้วก็ลบอาจจะเป็นต้นแบบของแท็บเล็ตนะคะของ iPad และที่กล่าวว่า ก็อได้ที่วัดโพเรียนขอได้ที่วัดแจ้งไปขึ้นแม่กลนเอาที่วัดสารปูนกรุงเก่าสแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนย้ายที่เรียนบ่อยจะเป็นเพราะเหตุใดก็แล้วแต่แม่กอกับแม่ขอนั้นใกล้เคียงกันมากก็ยังใช้โรงเรียนถึงสองวัดก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาในยุคนั้นนะคะเรียนที่วัดค่ะ นี่คือในส่วนที่เป็นคำอธิบายศัพ์นะคะซึ่งในส่วนที่เป็นคำอธิบายศัย์นี้ยังมีอีกหลายคำค่ะที่เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจถ้าซื้อหนังสือจดหมายจางวางกราซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่สวยงามทีเดียวค่ะ เป็นหนังสือที่น่าจะมีเก็บเอาไว้นะคะอ่านสนุกได้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนลูกถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะแตกต่างกันที่สภาพสังคมนะคะยุคสมัยแต่ว่าในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ยังคงพอใช้ได้นะคะยังคงใช้ได้ที่สำคัญคือทำให้เราได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการครองช้างนะคะ ซึ่งมีการกล่าวถึงเป็นตอนๆ น, นะคะเป็นบางช่วงในจดหมายจักจางวางล่มนี่ละค่ะคือเป็นการเปรียบเปรยแล้วก็ในคำอธิบายศัพท์ก็มีการอธิบายอย่างละเอียดเดี๋ยวเองไม่แน่ใจจะทันเวลาไหมเพราะว่าอยากจะเล่าให้คุณได้ฟังถึงพระประวัตินะคะของ องค์ผู้นิพนธ์คือพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ให้ฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือนะคะค่อยมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของอพระเนตรคล้องช้างกันในส่วนสุดท้ายของสุดท้ายของหนังสือจดหมายจากจางวังรัมเนี่ยคะ่ะก็เป็นพระประวัตินะคะของพระราชว ร, รวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เจ้าของนามปากกาโนมสศ อันย่อมาจากพระนามเดิมคือพระองค์เจ้ารัชนีแจำมจรัสพระองค์เป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชอนุชาธิราชแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่สี่ กรมหมื่นพิทยาลงกรประสูติในพระบวรราชวังเมื่อวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2419คุณจอมานดามีนามว่าเลี่ยมซึ่งเป็นผู้สืบสายโดยตรงจากสกุลเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือสกุลชูโตทางฝ่ายบิดาและสกุลสโรบนทางฝ่ายมารดา แล้วก็เนื่องจากกรมพระราชวังบว ร, วรวิชัยชาญที่วงคตเมื่อตอนที่พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มเจรัสมีพระชนสาได้เจ็ดปีคุณจอมานดาจึงได้เลี้ยงดูอบรมท่านตามลำพังตลอดมาแม้กระนั้นท่านก็ทรงอ่านโครงกรแตกฉานมาตั้งแต่พระชนสาห้าปี ปีพุทธศักราช2429เสด็จเข้าเป็นนักเรียนประจาณโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งตั้งอยู่ทางด้านใต้ของพระบรมมหาราชวังนะคะโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนี้เป็นสถานศึกษาสำหรับเจ้านายและบุตรข้าราชการผู้ใหญ่ในสมัยนั้นทรงศึกษาที่โรงเรียนนี้จนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือสอบไล่ประโยคสอง เมื่อปีพศ2434ผลการสอบไล่ปรากฏว่าทรงได้เป็นที่หนึ่งนะคะทรงเรียนเก่งมากแล้วก็ขณะที่ศึกษาก็ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษอยู่แล้วและได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษต่อมาอีกจนถึงปีพุทธศักราช2436 จากนั้นจึงเสด็จเข้ารับราชการในตำแหน่งนายเวนกระทรวงธรรมการหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันค่ะทรงเป็นเจ้านายที่สนใจในภาษาอังกฤษมากและสแสวงหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษต่อจนตรัสได้คล่องและมีการสมาคมคบหากับพระสหายที่เป็นชาวอังกฤษอยู่มากในปีพุทธศักราช2440นะคะมีตาแหน่งเป็นลามที่กระทรวงพระครัง และมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรปคือตามเสด็จลนเกล้าราัชการที่ห้านะคะเมื่อวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2440และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสด็จทรงเล่าเรียนต่อไปในประเทศอังกฤษทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อยู่สามเทอมคือเก้าเดือนจากนั้นก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพ เนื่องจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกําลังขยายงานใหญ่โตตําแหน่งหน้าที่ราชการกําลังคอยท่านอยู่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้ช่วยกรมตรวจและกรมสารและบัญชีในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและต่อมาในปีพศ2450ค่ะก็ได้ส่งเลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีพระองค์เจ้าราชนีจําจรัสทรงรับราชการ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเวลาสิบ็ปีถึงปีพศ2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้พระองค์เป็นองค์ขมนเตรีปีพศ2456ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมประย์เป็นเจ้านายต่างกรมมีพระนามว่าพระราชวรวง์เธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์ สำหรับราชการสำคัญที่ได้ทรงปฏิบัติในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่มากนะคะซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างเช่นทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณทรงจัดตั้งสหกรณ์ทรงเป็นอุปนายกหอสมุดสำหรับพระนครเมื่อปีพศ2467 และได้เสด็จมารับตำแหน่งราชการประจำที่ราชบัณฑิ ต, ตยสภาเมื่อปีพศ2469ในราชการที่หนะคะแล้วก็ในปี2476กรมหมื่นพิทยาลงกรได้กราบถวายบังคมลาออกส่งรับพระราชทานบำนาญรวมเวลารับราชการทั้งหมดของพระองค์40ปีค่ะ พระราชบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงมีพระปฏิพานในทางหนังสือมากเมื่อปีพศ .2453 ได้ร่วมกับพระสหายสามถึงสี่คนออกหนังสือพิมพ์รายเดือนค่ะชื่อลักวิทยาลักวิทยาเนี่ยลักในที่นี้คือลักขโมยนะคะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่ทรงเขียนได้พักหนึ่งก็ต้องเลิกเพราะไม่มีเวลา ลักวิทยาเป็นหนังสืออ่านสนุกมีเรื่องสั้นๆแบบสารคดีเป็นเรื่องแปลบ้างความรู้เบ็ดตเตล็ดบ้างต่อมาปี2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงออกหนังสือพิมพ์รายเดือนชื่อทวีปัญญาค่ะและชักชวนให้คณะลักวิทยาบางท่านมาร่วมแต่งหนังสือให้ทวีปัญญาด้วย ทวีปัญญานี้เป็นหนังสือของทวีปัญญาสมสรซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนได้ทรงตั้งขึ้นพิมพ์ออกเดือนละครังนะคะเรื่องที่นําลงพิมพ์นั้นทรงเป็นทรงเอาเป็นพระราชธุระมากก็คือคงอสนพระไทยในการติดตามในการจัดทําหนังสือเล่มนี้มากนะคะเพราะว่าพระองค์ก็ทรงสนพระไทยในเรื่องของอ หนังสือแล้วก็เรื่องของการพระนิพนธ์ต่างๆมากอยู่แล้วทีนี้ต่อมาค่ะลนกล้าราัชกาลที่หกเนี่ยต้องเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือตลอดถึงมณฑลพายัพเป็นเวลาหกเดือนจึงส่งมอบให้พระองค์เจ้าราัชนีจัมจรัดและพระยาภัยสาสรศิลปศาสตร์หรือว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีให้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการออกทวีปัญญาตลอดเวลาที่ที่พระองค์ติดราชการแล้วก็ไม่ ไม่สามารถที่จะท่งเป็นพระธุระได้เหมือนแต่ก่อนนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจดหมายจางวังหรำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนโมอสองคงคิดจะใช้ต้นฉบับหนังสือฝรั่งมาแปลลงไปเพื่อให้เร็วทันกำหนดที่หนังสือออกแต่ทรงเห็นว่าถ้าตามอย่างฝรั่งล้ว น, วนผู้อ่านภาษาไทยจะไม่เข้าใจได้ทราบซึงจึงดัดแปลงข้อความให้เป็นไทย และในที่สุดก็กลายเป็นเขียนเองแทบทั้งฉบับจดหมายจางวังรำที่เขียนลงในทวีปัญญารวมทั้งหมดเจดฉบับมีคนอ่านติดใจกันมากจึงได้มารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มในภายหลังนักเรียนอาจจะมีความรู้สึกว่าจดหมายจางวังรำออกจะยากอยู่ข้างในข้อที่ว่ามีถ้อยคาภาษาอังกฤษ ปนอยู่ด้วยในจดหมายแทบทุกฉบับแต่นักเรียนจะเรียนได้สะดวกขึ้นโดยที่มีอธิบายอยู่ด้านหลังของหนังสือเล่มนี้ซึ่งผู้จัดพิมพ์ได้จัดทําให้เป็นพิเศษคือบทเสริมท้ายนี้นี่น่าจะสื่อสารกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจดหมายจางวังรำก็เป็นหนังสือเรียนนอกเวลาด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าจางวังรำในเรื่องเนี่ยมีลูกชายเป็นนักเรียนนอก และตัวของจางวังร่ำเองก็มีการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตกว้างขวางพอดูทีเดียวถ้าเกิดว่าฟังหรือว่าอ่านจดหมายจางวังร่ำแล้วนะคะต้องการจะทราบภูมิหลังของเรื่องต้องการที่จะรู้จักตัวตนของจางวังร่ำและลูกชายมากยิ่งขึ้นรู้ภูมิหลังที่มาที่ไปของเรื่องมากยิ่งขึ้นก็ต้องอ่านหนังสือเรื่องเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษค่ะ โดยองค์ผู้ประพันธ์คนเดียวกันนะคะก็คือของนมศนี่หละและถ้าได้อ่านพระประวัติของพระราชวรธงค์เธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์ด้วยมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือในสนถูกปิดาเรียกตัวกลับก่อนที่จะได้รับปริญญาบีเอแล้วก็นมสเองนะคะพระองค์ก็ต้องเสด็จกลับไทยเพราะว่าบ้านเมืองต้องการให้มาช่วยบริหารราชการในตาแหน่งสาคัญที่รอพระองค์อยู่คะ่ะอันนี้คือเหมือนในเนื้อเรื่องนะคะ ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงศึกษาอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็ต้องเสด็จกลับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้รับปริญญาแต่การที่ไม่ได้รับปริญญาก็ไม่ได้เป็นการทําลายคุณสมบัติความเป็นนักปราดความสามารถในด้านอื่นๆของพระองค์เลยตรงกันข้ามคุณในลักษณะและความสามารถของพระองค์ยิ่งทวีมากขึ้นทั้งในด้านการรับราชการและงานนิพนธ์ ลองฟังรายชื่อพระนิพนธ์ต่างๆนะคะเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษโอเล่มนี้ดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะน่าอ่านมากค่ะเรื่องของนักเรียนเมืองอังกฤษเรื่องสงครามราัสเซียกับญี่ปุ่นพิมพ์เป็นเล่มปีพศ2447สอื24ส่อประาชสมบัติอันนี้เป็นเรื่องอ่านเล่นแต่งอิงพงสาวดารพระนนคำฉันถอดมาจากเรื่องเดิมของฮินดู ตลาดเงินตราเล่มนี้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์ชนิดหนึ่งนิทานเวตาลโออันนี้สนุกมากนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ดังมากของนอมอสอเป็นหนังสือสนุกตลอดเล่มมีข้อคิดเป็นคติมีโครงฉันกรนไพเราะปนอยู่เป็นแห่งๆก่งกนกนครเล่มนี้แต่งเป็นกรนหกเดิมเป็นของฮินดูประชุมปาตะคาถา ก็เป็นการ ร, รวมปาตากถาที่ได้เสด็จไปตรัสในที่ต่างๆมากแห่งประมวลนิทานเป็นนิทานเก่าบ้างทรงเขียนใหม่บ้างเห่ hey, เรือเรื่องนี้ทรงแต่งทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีทรงเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสร์เมื่อ6มิถุนายน2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ไม่นานนักนะคะไม่ถึงเดือน แล้วก็มีฉันดุษฎีสังเวยสมโพธพระมหาสเสวตฉัตรมีเรื่องสามกรุงนะคะสามกรุงเป็นเรื่องประวัติศาสตร์สามตอนเริ่มแต่กรุงศรีอยุธยากำลังเสียท่าพแก่ค่าศึกต่อไปทรงกล่าวถึงพระเกียรติคุณพระเจ้ากรุงทนบุรีในการที่ทรงสามารถกู้บ้านเมืองให้กลับคืนสู่อิสรภาพได้อีกและตอนสุดท้ายเป็นตอนกรุงรัตนโกสินทร์สักการไปรษณี เล่ม น, นี้เป็นการรวมศักวาที่ทรงเล่นในหมู่พระสหายค่ะนอกจากนั้นนะคะนมสยังทรงทําหนังสือพิมพ์ด้วยทรงทําหนังสือพิมพ์รายอาทิตย์ชื่อว่าประมวลมากและประมวลสาลหนังสือพิมพ์รายวันชื่อประมวลวันทรงเขียนหน้าห้าในประมวลวันและประมวลสารซึ่งเป็นคอลัมน์ที่น่าสนใจมากในสมัยนั้นพระองค์เป็นผู้มีน้ําพระทัยกว้างขวางไม่ทรงหวงวิชาไว้แต่ผู้เดียว เคยทรงเขียนกรอนเป็นขติเอาไว้ว่าวั น, นคดีสมยาโอราริกท่านเรียกว่าริปับบิกแห่งอักษรผู้ใฝ่ใจในวิชาสถาพรเชิญช่วยสอนช่วยเขียนช่วยเรียนเอ่ยงานของท่านจะมีการผสมผสานระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่เนืองๆ น, นะคะแต่เป็นการผสมผสานกันโดยที่ได้แดัดแปลงคำภาษาอังกฤษจน มีลักษณะการออกเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยกรมหมื่นพิทยาลงกรสิ้นพระชนด้วยโรคหลอดโลหิตในสมองอุดตันเมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2488สิริพระชนมายุ68ปีค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของหนังสือเรื่องจดหมายจางวางรำ ซึ่งมีการตีพิมพ์ใหม่นะคะในรูปเล่มที่สวยงามคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถที่จะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าเก็บอีกเล่มหนึ่งใ่ทางข้อคิดในการเลี้ยงลูกนะคะโดยเฉพาะในการอสอนลูกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางสังคมในยุคนั้นๆด้วย แล้วก็ได้ความรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งองค์ผู้นิพนธ์นะคะก็ได้ทรงส่อแทรกเอาไว้เป็นระยะระยะทําให้เราทราบถึงค่านิยมในยุคนั้นนะคะเหตุการณ์ในยุคนั้นเพราะว่าจะมีการพูดถึงในทํานองเปรียบเทียบอยู่เป็นระยะระย ะ, ะ, ยะและที่สําคัญก็คือว่าเป็นวรรณกรรมที่มีอรรถรสต้องบอกว่าแซ่บสนุกมากนะคะ